ันี่จะมีทอดกะถินนะปีหนึ่งก็ทอดกินครั้งหนึ่งกะถิ่นจริงๆเป็นสังฆทานเราถวายผ้ามาถวายพระไม่ได้เจาะจงจะถวายองนั้นองนี้ถวายให้เป็นของกลางของสงส่งไปเลือกกันเองไม่จะให้ใครต้องอุปโลก ก็เป็นสังฆทานก็เป็นบุญใหญ่เหมือนกันเป็นทอดพระปาก็เป็นสังฆทานมันต่างกันนิดเดียวพระปาทอดได้ทั้งปีก็ตินทอดได้เดือนเดียวมีเกี่มหนดเวลาเลยเรียกว่ากาลทานทานที่มีเงื่อนไขของเวลาอะไรที่ทำยากความดีที่ทำยากมันก็บุญมากกว่าเก่า มากกว่าบุญที่ทำง่ายหลักง่ายๆเท่านี้แหละบุญที่ต้องควนกว่ายมากก็ได้บุญมากก่อนจะทอดกะถินก็ต้องขอศีลกันก่อนนะจะตั้งใจรักษาศีลถือศีลได้มีบุญยิ่งกว่าทอดกะถินอีกทอดกระถินเป็นทานนะรักษาศีลได้ก็สูงกว่า เห็นไมไม่ต้องเสียสตังรักษาศีลกตินเป็นวัตถุทานให้วัตถุทานที่สูงกว่าวัตถุ ก, ก็ยังมีอีกคือธรรมทานเราไม่มีธรรมะจะให้ใครโดยตรงมันก็ช่วยกันทำงานเผยแพร่บางคนก็มาถ่ายวีดีโอทำสีดีทำยูทู e ทำหนังสืออะไรช่วยกันทำ เป็นการทำทานที่สูงเพราะว่าคนที่ได้รับนั้นจะได้สติได้ปัญญาอย่ากฐินนะสิ่งที่พระได้คือได้ผ้าธรรมทานนะคนรับจะได้สติได้ปัญญาไม่ใช่ได้วัตถุสูงกว่ากันนะศีลก็สูงกว่า สูงกว่าทานสมาธิก็สูงกว่าสีนิ่งงั้นการที่เรามาฝึกใจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวในใี่นี่แหละจิตใจมีสมาธิเป็นบุญใหญ่นะแล้วปัญญาสูงกว่าสมาธิสมาธิก็นำไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สงบอาจจะเป็นทเทวดาระดับสูงหรือไปเป็นพรมได้ เรื่องของสมาธิื่อปัญญานะั้นพาให้พ้นทุกได้นำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เงินบุญที่ประกอบด้วยสติเพื่อปัญญานะถือเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าจงเลิกทอดกระตินเถิดนะไม่ได้บอกบุญมันดีทท้งนั้นแหละ นะแต่เราทอดกระถิน่นเราทอดด้วยสติปัญญาแทรกเข้าไปบุญของเราจะได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างเวลาเราจะทอดกระถิน่นบางคนใจแคบฉันจะต้องทอดคนเดียวเลยนะหวงไม่อยากให้คนอื่นก็มีส่วนแห่งบุญด้วย ใ, ใจแคบไม่มีทานเลยนะไม่เผื่อแผ่คนอื่น ทำไปเพื่อสนองอัตตาตัวตนอยากได้บุญเยอะๆเนี่ยทําด้วยอยากนี่ยทำด้วยกิเลสนะไม่ได้ด้วยปัญญาอย่าเราจะทอดจะถินนมีคนมาอนุโมทนาเยอะๆย่นีเราดีใจกับเขาเขาเอ ข, ของมาร่วมถวายล้วก็ดีใจกับเขานไม่กลัวว่าบุญของเราจะลดน้อยถอยลงเพราะต้องไปหานให้คนอื่นเนี่ยอย่างนี้ค่อยมีสติมีปัญญามากหน่อย ก็จะทอดกรถินแบบลดลาดกิเลสทอดกระินไม่ได้ทําได้เห็นแก่ตัวทอดกรถินเพื่อรักษาประเพณีของในพระพุทธศาสนาเกื้อกูลให้พระสงฆ์รักษาข้อวัดรักษาพระธรรมวินัยไม่ทําไม่ใช่เพื่อเข้าตัวไม่ใช่เพื่อไปเป็นเทวดาเพื่อจะเกิดเป็นมหาเศรษฐีเพื่อจะเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรด ด้านทําบุญแบบไม่ฉลาดเลยไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่าเราทําทอดกระิ่นนี่หวังว่าพระจะได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพรารับกระิ่นแล้วพระจะได้อานิสงส์หลายอย่างอานิสงส์ถ้าเราได้ยินแล้วจะคําอ่ะยุเนี้อนะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่มีอานิสงส์ได้ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรยไม่มี ยังไม่ต้องเอาผ้าไตรไปครบสามผืนอย่างเงี้ยนะอยู่ได้ช่วงช่วงเนี้ยตลอดสี่เดือนได้ทอดกระถินไปโดยไม่ต้องบอกลาไปทุระนี่ไม่ต้องบอกลาเขาไปได้แต่ในวัดกรรมฐานเนี้ยพระจะไม่ถืออา น, นิสงส์กระถิน จะเข้มงวดมากเลยคืนไปโดยไม่บอกลาเขาไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวรู้สิษย์ไปทําอะไรเสียหายตัวเองแหละจิตจะเสียนะจึงจะเข้มงวดอย่างนี้โลปูมั่นนะพระอยู่กับท่านเนี่ยไม่เอาอั น, นิสงส์จิตินนะไม่เอาอา น, น้สงส์รักษาข้อวัดเข้มงวดตลอดทั้งปีเหมือนๆกันหมดนะท่านเข้มงวดอย่งนั้น ทีคนไปขอทอยกระินท่านบอกทอดพราป่าก็แล้วกันง่ายดีทอยกรถิกนกิจกรรมเยอะนี่ถ้าคนอย่าทอดกระิ่นแได้ยินครูบาอาจารย์หบอกทอดพระป่าก็แล้วกันจิตตกแต่ถ้าคิดว่านี่สังฆทานเราต้องการสุขลอดสูงฆ์สงฆ์จะเอาไปก็เรื่องของสงฆ์นะเราให้แล้วให้เลยขาดจัดใจของเราความเป็นเจ้าของ นียบุญเราก็ใหญ่ขึ้นไปอีกงั้จะทำบุญนะทอดกระถิ่นก็ต้องประกอบด้วยปัญญาทำไปเพื่อลดละกิเลสไม่ใช่ทำเพื่อเพิ่มกิเลสบางคนทำเพิ่มกิเลสนะได้หน้าภูมิใจมากเลยได้หน้าได้ทอดกระถินเท่านี้วัดเท่านี้วัดนะตายไปส่องไปเป็นพระอินแน่นอนนะไม่เป็นหรอกไม่ตกนรกก็บุญแล้วนะใจมีแต่กิเลส จำหลักไว้เลยบุญใดที่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญธรรมดาธรรมดายังเราทำทานให้ชีวิตเป็นทานปล่อยบัวปล่อยควายอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าเราจะอายุยืนเราแข็งแรงเหมือนควายอายุยืนเท่ากับอายุของปลาทุกตัวรวมกันอย่างเงี้ยปล่อยไปแสนตัวเน่ายนี่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ทำด้ยโลภเซิฟสนองอัตตาตัวตนได้บุญนี้เดียวงนะินถ้าโ้นลาอัตตาตัวตนได้นะก็ เ, เป็นบุญใหญ่เห็นคือประธานทอดกระถิน่นปีนีนะ้เราเห็นโอ้น่าพลื้มใจก็ดูอายุมากนะดูเส้นผมท่านสนะนะิได้ทำบุญเราก็ดีใจกับเขาเนี่เรา ใจิตใจอย่างนี้ใจิตใจสูงเนะี่ยมันไส่เก่งกว่าเราก็ตกที่มาจองเร็วเท่านั้นแหละเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยเงี้ยไม่ได้บุญออกได้กิเลสหลักการที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเอาไปใช้กับการทำบุญอย่าง อ, างอื่นๆได้ทั้งหมดอ่ะนะให้รู้หลักไว้ไม่ใช่จ่ายเงินมากได้บุญมากนะบางแห่งมันสอนกันอย่างเงี้ยมันอยากได้เงิน ไม่ได้อยากได้ธรรมะจ่ายเงินมากได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงไม่ใช่ไม่มีเงินใจ่ายขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่านั้นยังได้เลยขึ้นไปพรมยังได้เลยมีเงินเยอะทำบุญเป็นล้านๆแล้วใจโลภอยากได้ผลตอบแทนอันนั้นไม่ใช่การทำบุญแต่เป็นการลงทุนเหมือนไปซื้อหุ้นนะ แหมมาทอดกตินวัดสวนสันทิธรรมนะ้าเหมือนซื้อหุ้นบริษัทชั้นดีต้องกำไรเยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ฉลาดหรอกหลวงพ่อไม่ได้กีดขวางการทำบุญของใครนะบุญเป็นเรื่องดีทั้งสิน้นแต่เมื่อทำแล้วเติมปัญญาลงไปจะได้บุญที่ใหญ่กว่าเก่านะพอรู้เรื่องไหม เดี๋ยวก็จะทอดกระถินกันนะก็เริ่มต้นก็จะต้องขอศีลขอแล้วต้องเอาไปทำนะไม่ใช่ขอเสร็จแล้วก็ทิ้งไปในวัดนี่แหละพระบางองค์นะท่านไม่ค่อยมีศีล น, นะเป็นพระทูศีลถามว่าทำไมเป็นพระทูศีลโยบมาขอศีลทุกวันเลยให้ไปหมดแล้วนะไม่เหลือไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะ เอาเราให้สติปัญญาให้คุณงามความดีกนะับคนให้ความสุกกับคนไม่ทำให้บุญของเราลดลงเหมือนเรามีเทียนเล่มหนึ่งคนมาขอต่อเทียนไปแล้วให้เขาต่อวันหนึ่งเทียนของเราดับเราจะไปต่อคืนมาได้ยิ่งทำอะไรเ้าใจกว้างไว้แล้วจะดีแื่บางคนมามือชนเนี่ยมาเชงเม้งรู้จักไม่เชีงเม้ง มาเชงเม้งนะญาติพี่น้องรวมกันมาแล้วไม่แย่งเงินปักทูปใครปักก่อนไนดะ้เหงมันสวยตั้งแต่คิดอย่างนั้นแล้วละ่ะญาติพี่น้องมจะแตกสามัคคีกันเพราะมันแย่งเงินปักทูปเ น, นี่ยไม่ฉลาดเงินไปวัดใจของเรานะทุกการกระทํากระทั่งทําบุญกนะ็ต้องวัดใจตัวเองทําเพราะว่าจิตเป็นกุศลหรือจิตเป็นอกุศล ทำเหมือนกันนะทอดกรินเหมือนกันแนะหนนละแต่คนหนึ่งจิตเป็นกุศลคนหนึ่งจิตเป็นอกุศลบุญไม่เท่ากันหรอกอ่าวันนี้เ ท, เท่าเานี้นะกราบคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับ อาราหังสัมมาสัมพุโตภะคะวาพูทธังภะคะวันตังอาภิวาเทสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโอธรรมังนามสาม สุปาติปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสังขังนมามต่อไปขอสี่ห้าพร้อมกันมะยังพันเตวีสุงวีสุงลักขณาทายะติสละเนาสหา ปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสลาเนนันสหาปัญจสีลานิยาจามะตาติยมปิมะยังพันเต วสุงวิสุงลาคณนทะยัติสลาเนนัสหาปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะพากาวโตะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพากาวโตะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ทราหนโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคาชามพุทธังสระนังคชามีอามังสระนังคาชามีธัมมังสระนังคาชามีสังขังสรนังคชามสังขังสรนงคามี ทุติยมปีพุทธังสารนังคชามทุติยมปีพุทธังสารนังคชามีทุติยมปีม uh ังสรนังคชามทุต uh ิยมปีมังสารนงคชามีทุติยมปีสังขังสารนังคชามทุติยมปีสังขังสารนงาชามี ตาติยมปีพุทธังสระนังคาชามีตาติยมปีพุทธังสระนังคาชามีตาติยมปีธรรมังสระนังคาชามีตาติยมปีธรรมังสระนังคาชามีอาติยมปีสังขังสระนังคาชามีตาติยมปีสังขังสระนังคาชามี ติสระนะาคามนังนิติตงังอะมะพันเตปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทถังสมาธียามิอจินนาธานาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอจินนาธานา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 เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามาชัพปมาดาทานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิสุราเมรยมาชัพปมาดาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอีมานิปัญจสิกขาปัทธานี สีเลนะสุขติงยันตี ส, สีเลนะโภคสัมปทาุ ส, าสีเลนะนิพุติงยันตีตาสมาสีลังวิโทสทายลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำถวายกะถินนะครับ ขอทุกท่านนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมตาัส萨ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัส萨ภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธะาาอิมังพันเต สัพ ป, ปริวารังกาธินะจิวาระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังคโคอิ ม, มังสัพ ป, ปริวารังกาธินะทุสังปฏิคันหาตุ ปฏิคาเหตวาจักอิมินาทุเสนากาธินังอัธาราตุอัมหากังจีคารตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกถินจีวร กับของบริวา e. รทั้งหลายเหล่านี้แดบพระสงค์ขอพระสงค์โปรดรับผ้ากรถิ่นและของบริวารเหล่านี้เมื่อรับแล้วโปรดการกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และครอบครั ว, รวตราบสิ้นกาลนานเทิ น, น, น, ทนขออาบเรียนเชิญ น, นะครับเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินครับ อีดานิโคพันเตอีมังสะปาริวาราังกถินาดุสังสังขสักกตินาทาราราหะกาเรเยวะอุพันนังอีดีเซจักกเรเยวังอุปันเนนาดุเซนากตินาทาโรวัดสังวุฒานังพิคุนังพระคาวาตาอนุญญาโตเยน า, ากังขมานาสาสังขสับปัญจกปิสั่นตีอนามันตาจารโอัสมาดานาจารโอขณนโภชนัง ยาวัตถาจิวังโยจ่าตถาจิวุปปาโดโซเนสรังภวิสติจ่ตูสุปิเหมันติเกสุมาเซสุจิวลกาโลมหันตีกตโตภวิสติอิดานิปนาสรั้งโคอากังขตินุโคกัทินัททารังอุดาหูนากังขติโสโคปนาพันเตกัทินัทารโอ ภควัตตาุคลสะอัารวเสนวอนุญาโตนัยตารปุคลสะอัตารัตตังโหติกถินันติหิวตังภควัตตานาสังโควากโนวากถินังอัารติสังขสัจจกนสัจจสมาขียุคลเสวะอัาราสังสปีกนสปีตัสเวะุคลสปิอัตตังโหติกถินัง อิดานิกสิมังกะทินาดุสังดัสมากะทินังอัถริตุงโยจินนาจีวโรวาดุบัลจีวโรวาโยวะปนาอุสหิสตีอัเจวจีวรากรรมังนิทัปเปตวาสัพวิธานังอภริหะเปตวะกะทินังอัถริตุงสมะโทภวิสตีอิธาอัมเหสุอายสัมาจตตามโล สบะมหละ AH มัลลโกบาหูสุตโตธรรมทโรวิเนยะทารวสัพพมจารีนังสั้นดั ส, สกโกสมารปโกสมุสม เ, สมเตชโก ส, ส, สักสมปะหังสกโกบาหูนังอจาริยโยหุ ต, ตวะโอวาดโกอนุสาสกโกสาวัถโตจาตตังตังวินยยากัมมังอวิโกเปตวากัทินังอัฏฐารีตุง มัญญามหาเมวังสัพโอยังสังโคอิมังสัปริวารังกตินาดูสั่งอายสมาโตจัตตามาลสาดาตุกาโมตาสมิงกตินังอัฐานเตสัพโอยังสังโคสัมมาเดวะอนุโมทิสติอายสมาโตจัตตามลาเสวะอิมังสัปริวารังกตินาดูสังดาตุงลุจติวาโนวาสัปบาสิมาสังคัสสะ ยาดีย a สมัตโธจตม马拉สะอิมังสัปลิวารังคตินาดุสังดะตุงสัปสิมาสะสังคาสาลุชติสาธุพันเตสังโคอิมังคตินาดุสัปลิวารภูตังติจิวารังวัสสาวาสิกาธิติกาญาอาคา a หตาว a อายสมัตโธจตม马拉เซวะอิมินาปปโลกเนนนาดะดาตุคตินาดุสังปนาอัปปโลกเนนา ดิมานันปินาลุหตีทัสมาตังอิดานียัติดุติเยนาคเมนาอคุเพนาทนาระเหนาอยสมโตจตมัลลาสัดมาตีกรรมสนิทานังกรโรตูเสร็จแล้วนะกิจกรรมของโยมจบแล้วไม่ง่ายดีไหม ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่พระไปทำกันเองมปกลางกระถินให้พอตั้งใจรับผ่อนนะแล้วก็ทิส่วนบุญส่วนกุศลยาท้าวารีวาปุราปริปุเรนตีสักรางเอวามววายโตทินังเปตะนังอุกปกับปฏิ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตัวสัพเพบรตูสังกบปาจันโทพุนาราโสยะธามานิโวติระโสียาธาสัพธิตโยวิวาชันตุ สัพพโรโควินาสตุมาเตภาวันตรายุสุขีติขายุโกภาวาอภิวาทานสีลิสานิจังอุทาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง กาเรทัททันติสะปัญญาว่าทันยุวิตามัชฌะญาเลนะตินังอริยสูโอชูพูเตสุตาธิสูวิปัสสนามนาตาสาวิภูราโหติรักขีณาเอตัธานุโมดันติเวยาวจังกโรนทิวา นาเตนาดักขีนาโอนาเตปิปุญญาสัพพิโนอาสัมมาทเทาปฏิวานจิตโตยทถาทินนังมะพะละปุญญาลิพลโลกะสมิงปฏิทธาหุนติปานินันติอาคโตเวปัสสนานังอาคังธรรมังวิชาณตัง อาเคพูเทปัสสนานังทักขีในเยอานุตรเรอาเคธรรมเมปัสสนานังวิราภูปัสเมสุเคอาเคสังเคปัสสนานังปุญญาเคเตอานุตรเรอาขาสมิงทานังทตดตังอาขังปุญญ์าวัตถีอาขังอายุจาวันโนจายโสกิติสุขังภาลัง อาคาสาัาตาเมธาวีอาคาสังมาสมาหิโตเลวะพุโตมโนโสวาคาปโตปโมทติติรัตนาตยญานุภาเวนารตนาตยเตชะสาภูคารุคาพาเวราโสกัสตุจุปตะวะ อเนกันตารยาปิวินาสันตุวาศสตาโตชายาสิทธิท่านังลาพังโสติภาคายังสุข ah ังภาลังสิริอายุจาวโนจาโภคังวุต no ิจายสาวาสตาวะสจาอยุจะาชีวสิทธิภาวันตุเต ภาวตุสาพมังคะลังราคันตุสาปเดวตาสาปุทาลุภาเวนาสรดาโสติภะวันตุเตภาวตุสาพมังคะรังราคันตุสาปเดวตาสาปธรรมมานุภาเวนาสรดาโสติภะวนตุเต ภาวาตุสามังคารังรักขันตุสาพเดวตาสาพาสังคาอุพาเวนาสาดาโสทีอาวันตุเตเชิญกับบ้านได้นะใครยากสนทนาธรรมะต่อ ว, วันนี้ เป็นวันชุมนุมผู้ช่วยสอนนะมีเยอะเลยไปเลือกเอาเถอะ